บทภาชณีติกะปาจิตตี162อุปสัมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันเข้าไปที่สํานักภิกษุณีแล้วสั่งสอนนอกสมัยต้องอบัติปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจเข้าไปที่สํานักภิกษุณีแล้วสั่งสอนนอกสมัยต้องอบัติปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุสําคัญว่าอนุปสัมบันเข้าไปที่สํานักภิกษุณีแล้วสั่งสอนนอกสมัยต้องอบัติปาจิตตีทุกกฎ ภิกษุสังสอนทาอย่างอื่นต้องอบัตทุกกฎภิกษุสังสอนภิกษุณีที่อุปสมบทในสงฆ์ฝ่ายเดียวต้องอบัตทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสมบันต้องอบัตทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎอนุปสมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสมบันไม่ต้องอบัต